Book 2 72 72 2> ต้อง harus ต้อง harus Har <us. S 2> ผมต้องส่งจุดหมาย saya harus m e n g i r i ผมต้องจ่าย่าโรงแรมต้องจ่ายค่าโรงแรม s a y ต้อง u s membayar hotel ต่คุณนต้องแตื่น้าคแต้อง่เชง้า kamu harus b a n น u n pagi คุณมต้องท่าคงต้องางนามนาก kamu h a r u ม banyak b e k า r j a คุณต้องตรงเวลา kamu harus tepat waktu เขาต้องเติอน้องตรง i วลาคุ s ต้องตรงเวลาคุต้องตเขาต้องซรอมรถ dia harus m e m p e r เ a i า i m o ต้องเขลาต้องรล้างรถ dia harus เขาต้องซื้อของเธอต้องทำความสะอาดอพาตเมนเธอต้องซักเสื้อ i a าเ r u s berbelanja เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ dia harus ักเสื้อ i h k a n rumah เธอต้องซักเสื้อผ้พา dia harus mencuci า เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ kami harus segera b e เร n g k a t sekolah เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ kami segera b e r a n g k เ t bekerja เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ kami ยวนี้ Har se harus segera ke dokter พวกคุณต้องรอรถเมย์ r u s menunggu bis พวกคุณต้องรอรถไฟ a r u s menunggu kereta พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ kalian harus Menunggu taksi.